เรามาทุ่มเทเวลาให้กับการปรับปรุงจิตใจของเราจะดีกว่าเพราะงานภายนอกทำเท่าไหร่ก็ไม่วันจบวันเส้นเพราะมันต้องเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆทำเป็นก็พยายามเองแล้วมันก็มันก็เฉื่อยเคื่อนไม่ต้อง่าบรานะูรยากความใจ จใจของเราเนี่ถ้าทำไปแล้วมันมีแต่จะดีกต่ถ้ามันดีแล้วมันก็จะดีไปตลอดมันไม่เสกเรื่อง่างๆารภายนอกนัน้นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราทำเท่าที่จำเป็นทำเท่าที่ใช้กับกับการงานของเรา ก็จะได้มีเวลามาทำงานที่สำคัญจริงๆเรื่งนานพัฒนาจิตใจใจได้รับการพัฒนามากน้อยเท่าไรเราก็จะมีความสุมากน้อยเร่นนั้นใาไม่ได้รับการพัฒนาใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข เพราะฉะนั้นความสุขความทุกนั้นไม่ได้อยู่ที่เรื่องภายนกแต่อยู่ที่ใจที่รับ ก, การพัฒงาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็าจะมีทางร่วมเย็ยนเป็นสุด มากเ่าันจจะมีทางสุดมากกว่าที่จะเห็นความไม่สำคัญของสิ่งอื่นๆภายนอกใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะใจสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขไ ด, ด้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลย แม้แต่ร่างกายไม่มีใจก็ยังอยู่ได้เช่นเวลาใจเข้าสู่ความสงบรวมเข้าสู่สมาธิตอนนั้นใจกับร่างกายก็แยกกันชั่วคราวใจไม่รับเรื่องเรื่องของร่างกายแค่เรื่องต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับไม่มีอะไร ลอยเหมือนกับเราอยู่ในอากาศไม่มีอะไรมารบกวนใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจจึงจึงสงสายว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานใจเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ใจเป็นผู้สร้างความสุขและความทุกข์และใจเป็นผู้รับผลของความสุขและความทุกข์ก็จะ ความคิดตรงแต่ของใจถ้าคิดไปทางสมุทัยราจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดไปทางมรรคก็จะสร้างความสุขขึ้นมางหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องควบคุมความคิดของเราให้คิดไปในทางมรรคถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุข ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะควบคุมบังคับให้ใจคิดไปในทางมรกได้ใจก็จะคิดไปในทางสมมุทัยเสมอเพราะใจนั้นมีผู้คอยกำกับคอยสั่งให้ใจคิดไปในทางสมมุทยเป็นเดิมเป็นปกติอยู่แล้วในที่เราได้ยิน ที่ท่านตัดว่าอาวิชชาปัจจียสงฆาราอวิชชาเป็นผู้กากับให้สำขาญคิดคปุุงแต่งถ้าคิดคปุุงแต่แล้วก็จะคิดไปในทางสมุทัยเพราะเมื่อมีเวทนาก็จะเกิดตัญหาตามมามีเวทนาก็จะเกิดความอยากถ้าสุกเวทนาก็อยากจะให้สุกไปนาน ถ้าทุกเวทนาก็อยากจะให้ดับไปให้หมดไปโดยเร็วไวตะสุขกับทุกเวทนานั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของความอยากของใจเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดเกิดทุกเวทนาทางกายขึ้นมา ใจอยากจะให้ทุกเวทนาทางกายหายหรือดับไปเขาก็ไม่ดับไปตามความอยากเพราะเขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้าการควบคุมของใจแต่เขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเกิดขึ้นมาเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกาย มีความเจ็บมีไข้มีความปวดเนื้อตัวร้อนเนื่องจากมีเชื่อโรคเข้าไปทำให้ร่างกายผิดปกติใจอยากจะให้หายมันก็ไม่หายยิ่งอยากก็จะยิ่งมีความทุกข์ทรมานใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเรา ไม่ให้คิดไปในทางทางสมุทยัยได้นั่นเองอย่กถ้าเราฝึกใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้คิดไปในทางสมุทยัยเช่นเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาทางร่างกายก็อย่าไปคิดอยากให้มันหายปวดเราก็มีอุบายหูวพอพระพุทธเจ้าทรงสอนอุบายใช้การบริกรรม พุโทโธพุธโทโธไปในขณะที่ใจเกิดความทุกข์ทรมานใจกับความปวดของร่างกายบริกรรมพุโทโธพุธโทพธโธเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้คิดในทางสมุทยัยคือไม่ให้คิดอยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหายไปหรืออยากจะนีจะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไป ใจก็จะไม่ทรมานใจถ้าไม่สามารถควบคุมความคิดได้ก็จะเกิดเหการ์อย่างที่เราเห็นกันถ้าไม่สามารถควบคุมความคิดไม่ให้ความเจ็บปวดหายไปได้หรือไม่สามารถควบคุมความคิดขอ ง, ของใจที่อยากจหนีความเจ็บปวดไปก็บางคนก็ฆ่าตัวตายหรือว่ ในสมัยนี้ที่เขานิยมให้หมอหรือให้แพทยให้ให้ยาเพื่อที่จะได้เสียชีวิตไปเพาะใจคือสังขารความคิดครุงแต่งของเขานั้นคิดอยากจะหนีจากความทุกข์ของร่างกายนี้ไปแต่เขาไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะว่าความทุกข์ทรมารใจนั้นเหมือน มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งที่ถูกอ ว, วิชชาความหลงความไม่รู้ในเรื่องของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนี้พาไปถ้ารู้ว่าความทุกข์ทรมาร์ตานี้เราสามารถดับได้ด้วยการควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางสมุทยัย หรือให้หยุดคิดเช่นเจ็บรวมลงเข้าสู่สมาธิความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปหมดจึเหลือแต่ความเจ็บปวดของร่างกายซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานใจแล้วเป็นเหมือนฟ้ากับดินหรือเป็น1เท่ากับสิเท่าหรือร้อยเท่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าความเจ็บปวดของร่างกายนี้ใจสามารถ รับรู้ได้อย่างสบายถ้าไม่ถ้าไม่มีความทุกข์ทรมานใจคือความคิดที่อยากจะให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปหรือความคิดที่อยากจะหนีจากความเจ็บปวดนี้ไปถ้าใจนิ่งเฉยๆรับรองได้ว่าจะไม่รู้สึกทรมานใ จ, จ้อยได้พอเราสามารถ ยับยั้งความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางสมุทัยนั่นเองคือปวดก็ปวดไปอยู่ด้วยกรรมไป mm hmm. ก็ทําได้สองวิธีอย่างที่พูดคือวิธีแรกก็ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเพื่อที่จะไม่ให้ใจหรือความคิดนี้มีโอกาสคิดไปในทางสมุทยัยหรือไม่เช่นั้นก็ให้ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติความเจ็บ ของร่างกายเป็นเหมือนกับฝนตกที่เพิ่งตกไปเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ได้ไปมีความอยากให้เขาหยุดตกเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาหยุดตกแล้วเขายังตกอยู่ใจของเราก็จะมีความกระสับกระส่ายกระวนกรวายไม่สบายใจถ้าเราใช้ ใช้ให้คิดในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสามาทิฐิก็คือเขาเป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นในขณะใดเวลาใดขอให้เราอย่าไปถามว่าทำไมหรือว่าอยากจะให้เขาหายไปขอให้คิดว่าเขาเป็นอย่างนี้เขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเขาจะอยู่นานหรือไม่นานก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป ไปไปสั่งหรือไปลบล้างเขาได้สารสิ่งที่เราสั่งหรือลบล้างได้ก็คือสมุทัยที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรานี้ถ้าเราสอนใจให้คิดอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่คิดอยากที่จะให้สิ่นต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างไรอย่างนี้เมื่อไม่มีความคิดที่ เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจก็จะไม่เกิด น, นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ที่การควบคุมใจของเราด้วยด้วยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการที่เราจะสามารถควบคุมความคิดปุงแต่งของเรา ให้อยู่ในทํานองกรองธรรมให้อยู่ในมรรคได้ดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นงานเริ่มต้นเป็นกอไก่ขอไขของการปฏิบัติถ้าเราอยากจะอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้เราก็ต้องเรียนกอไก่ขอไขก่กอนถ้าเราไม่รู้จักอักษรต่างๆ เราจะไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือเขียนได้ทังนันน้ถ้าเราอยากจะควบคุมความคิดของเราให้ไปท่าไปในธรรมากหรือให้หยุดคิดคือไม่ให้คิดไปในทางสมุทัยเลยเราก็จะต้องมีสติก่อนเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถหยุดความคิดให้ด้วยการรวมเข้าสู่สมาธิได้เป็นพักๆ แต่การนวมเข้าในสมาธิเป็นภักขะ ก, ก็หยุดความคิดตัวแตกได้เป็นภักขแต่ไม่ถาวรเพราะสมาธินี้อยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาแล้วเราก็ต้องไปดำเนินชีวิตของเราตามปกติเพราะเรายังมีร่างกายที่จะต้องคอยดูยแลเลี้ยงดูก็ต้องออกจากสมาธิเพื่อมาทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเลี้ยงดู ร่างกายใจของเราก็จะคิดไปเรื่อยเปื่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยส ก, กัดไว้ถ้าคิดไปในทางสนุกใจถ้าคิดไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาเข้าไปส ก, กัดสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเราต้องสอนใจว่ามันเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถควบคุมบงังคับมได้ มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ให้ความสุขกับเราเพราะมันไม่เที่ยงนั้นเองมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดูให้ความสุขกับเราแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปบางทีเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเบื่อเราเห็นอะไรที่จำเจ ตอนต้นเวลาเห็นสิ่งแปลกใหม่ๆก็มีอาการดีออกดีใจชอบอกชอบใจพอได้เห็นอยู่จำตาจําเจไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเบื่อหน่อยขึ้นมาเคยมีความสุขกับสิ่งนั้นก็เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นมีความทุกข์กับสิ่งนั้นไปต้องหาอะไรใหม่ๆมาทดแทนอยู่เรื่อยๆเพราะ ความรู้สึกของเรามันก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับกระด้างอย่างนั้นเขาจะให้ความสุขกับเราเป็นตลอดได้เขาก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อความสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปสิ่งที่เขาให้ความสุขเปลี่ยนไปความทุกข์มันก็กลับเข้ามามันก็เข้ามาแทนที่ได้ เราต้องสอนจาจอย่างนี้เอเรื่อยเราใจเราจะไม่ก ล, าล้าหรือจะไม่อยากจะได้อะไรมาให้ความสุขเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าได้ความสุขเพียงเล็กน้นอยแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันทุกข์ด้วยการที่ต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องทุกข์ด้วยกับการทศรมาโศกเสีย ใ, ใจเวลาที่สูญเสีย สิ่ง น, นั้นไปนี่คือการใช้ปัญญาคือปัญญามองให้เห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทีกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผุฏฐะไม่ว่าจะเป็นลาบยศเารเสริมมันีเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและมันไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราแต่สิ่งที่ให้ความสุขกาลังนั้นเกิดสูญไปจากเราไป เราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเดิดความเศร้าสศกเสียใจขึ้นมา mm hmm. อย่างเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของาอายุราชการของคน mm hmm. บางคนเคยมีตำแหน่งใหญ่โตพอถึงวันที่30กันยายวนวันที่1ตุลาคม mm hmm. ความยิ่งใหญ่โตนั้นก็หมดไปจะให้อยู่ต่อไป ใ ห, ให้ให้เป็นใหญ่เป็นตัวต่อไปเราเป็นไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยของเขาที่จะทําให้ถึงเวละที่จะต้องต้องหมดไปถ้าทําใจไม่ได้ควบคุมความคิดใจไม่ได้ว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเราเป็นคนธรรมดาแล้วไม่มีใครเขาให้ความสมําคัญกับเราแล้วก็จะมีความ ล้าเวยเศร้าสรอยอย่างาปัญหทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ความคิดของเรานีเองดังนั้นเราจึงต้องฝึกควบคุูความคิดของเราการฝึกสตินี่แหละก็คือการดึงใจดึงความคิดของเราเริ่มต้นก็ให้ดึงเข้ามาสู่ความว่างสู่ความเป็นกลางคือเราทําอะไรแล้วก็อย่าไปคิดตปงแต่ง ให้เป็นแต่สักแต่ว่ารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่เรากำลังรับประทานอาหารนะก็ให้รู้ว่าเรากำลังรับประทานอาหารไม่ต้องไปปรุงแต่งให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกำลังหวีผมกำลังแต่งตัวหรืองกำลังทำอะไรอยู่กับร่างกาย ก็ขอให้ใจอยู่กับร่างกายเพียงเดียวให้รับรู้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราไม่ยึงใจไว้ให้รับรู้กับการกระทาของเราใจจะคิดเรื่อยเกิดไปคุดแท้แต่ว่าอยากจะคิดเรื่องอะไรใจอยู่ตรงนี้อาจจะคิดถึงลูกที่อยู่ต่างประเทศก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังทาอะไรรู้สึกตัวก็รู้สึกแบบคลึ้นคลกางกา บางทีก็อาจจะทํไปางผิดพลาดไปได้หรือบางทีทําไปแล้วก็ยังสงสัยว่าให้ทําไปหรือยังเพราะว่าตอนที่ทํานั้นใจไม่ได้รับรู้กับการจะทำไมรับรู้กับเรื่องที่กำลังคิดปูแข่งอยู่อย่างนี้แสดงว่าเราขาดสติเราไม่สามารถควบคุมความคิดปูแข่งของเราได้ปล่อยให้เขาคิดไปเรื่อยเปย ถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะนั่งทำสมาธิให้ใจสงบมันก็ไม่สงบก็เพราะว่าความสงบของใจนี้ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งนั่นเองต้องมีอะไรดึงไว้ล่อไว้เช่นาการบริกรรมพุทโธเป็นการดึงความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งให้คิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าคิดอยู่ก็ฟัง พุทโธไปอย่างเดียวแล้วมันจะไม่มีอารมณ์มองจะทําใจให้เป็นเป็นกลางทาให้ใจว่างแล้วก็จะทำให้หยุดคิดได้จะรวงโยงเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าเราไม่ชอบคำบริกรรมเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ต้องสั่งแอ่ว่าดูสั่งแต่ว่าเรนี่อย่าไปคิดกับเรื่องอื่น ให้คิดหรือให้รู้อยู่กับเรื่องของลมอย่างเดียวเช่นกางหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกควรจะให้รู้อยู่ตรงจุดเดียวอย่าตามเข้าตามออกเช่นอยู่แถวปลายจมูกเวลาลมออกจะมีลมสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นแล้วอย่าไปควบคุมบังคับ ลมหายใจปล่อยเขงเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะอยากจะละเอียดจะหายใจชั้นหายใจยาว ก, ก็ให้รู้ตามความจริงไม่ต้องไปบังคับให้อาศัยลมเป็นที่ผูกใจด้วยสติถ้าใจเป็นเหมือนเรือสติก็เป็นเหมือนเชือกลมหายใจก็เป็นเหมือนเสา ของท่าเรือถ้าถูกเรือไว้กับเสาของท่าเรือน้ําก็จะไม่สามารถพัดให้เรือไหลไปได้เรือก็จะจับนยยิ่งไใจก็เช่นเดียวกันถ้ามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเรื่องอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธไม่ช้าก็เลยใจก็จะสงบนิ่ง พอสงบสงบนิ่งลงแล้วก็จะมีความสุขจะมีความสบายเบาอกเบาใจตอนนั้นจะไม่รู้สึกกับการอาการเจ็บปวดของของร่างกายหรือถ้ารู้ก็จะไม่ลำาคางบังทีรู้ว่ามันชารู้ว่ามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่มันไม่มันไม่รู้สึกทรมานใจพราะใจไม่ได้ไปมีปฏิกิริยา กับความเจ็บของของร่างกายนั่นเองนี่ก็คือการควบคุมความคิดให้เข้าสู่ความสงบแต่อย่างที่ได้พูดไว้ความสงบของสมาธินี้ก็มีระยะเวลาของเขาอยู่ได้ชักระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาหรือเรามีความจาเป็นที่จะต้องออกมาปฏิบัติทา้าทิศอื่นๆ เวลาที่ใจของเราเริ่มคิดตรุงแต่งถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับธารกิจต่างๆเพื่อให้ทันก็มาสอนใจให้คิดในทางปัญญาให้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะต้องเกิดขึ้นเช่นให้พิจารณาร่างกายของเราว่าสวันรค์ใงร่างกายของเราก็ต้องแก่ลงไปเป็นคนแก่ ั้งวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องตายไปนั่นเช่นเดียวกับร่างกายของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตางจะเป็นคนใกล้ชิดเราเรือคนที่เราไม่รู้จักก็เป็นเช่นเดียวกันเราต้องสอนให้ใจรับรู้และรับกับความจริงนี้ให้ได้ เพราะว่าถ้าใจรับรู้และรับความจุิได้ใจก็จะปล่อยวางได้ใจยิยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเรายอมรับกับการกับฝนตกแบดออกเราไม่ได้ไปมีปฏิกิริยาต่อต้านคือว่าไม่อยากจะให้ตกหรือไม่อยากจะให้แดดออกเพราะเรารู้ว่ามันสุดวิสัยของเราที่เราจะไปต่อต้านได้ เขาเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงของเขาฉะนนใดร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของผู้อื่นก็ดีก็เป็นเหมือนกับผนตกแดดออกนี่เพราะว่าเขาก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนทั้งของเราและของผู้อื่นเราก็ต้องยอมรับเขาเหมือนกับเรายอมรับผนตกแดดออกถ้าเรายอมรับได้เราก็จะมีความ สบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเรารับได้จริงหรือเปล่าเราก็อาจจะต้องไปหาสถานที่ทดสอบใจของเราเช่น ท, ที่ไหนที่เรามีความกลัวที่นั่นเป็นที่เป็นสนามสอบของเราเพราะความกลัวนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความคิดฝืแข่งของเราเองเราต้องการที่จะไปหาคำต สถานที่แบบนั้นเพื่อที่เราจะได้สอบใจทดสอบใจหรือว่าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้สร้างความกลัวขึ้นมาหลอกเราได้หรือเปล่าเช่นเรากลัวผีก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่ามีผีอย่กลัวกลัวสิงสราราสัตว์ก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่มีสิงสาราส กลัวความตายก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่ร่อแล้วต่อความตายอย่างนี้แล้วเราก็จะได้พิสูจน์กันจริงๆว่าเรายอมรับความตายได้หรือเปล่าเพราะเมื่อไปอยู่ในสถานที่ล่อแหลมแล้วเดินย่อมต้อนนความกลัวจะต้องเกิดขึ้นมาทั้งตีวเพราะว่าผู้ที่คอยสั่งให้คิดระทางความกลัวขึ้นมานี้เขามีกำลังมากกว่าของเรา ถ้าเราพยายามต่อสู้ด้วยการควบคุมนาพพัดใจหรือสอนใจด้วยปัญญาก็ดีหรื ด, ด้วยสมาธิก็ดีเราก็จะสามารถที่จะยับยั้งด้วยหยุดความคิดที่จะคิดไปนทางสมุทัยได้ถ้าเรายังไม่รู้จักการพีจร่จะนำทางปัญญาเราก็อาศัยอุบายของสมาธิไปก็ได้เช่นเราไปอยู่ในสถานที่ เป่ยเปลี่ยวเราเรากล่าความกลัวขึ้นมาเราก็ให้บอยคมพุทโธพุทโธและสวดมนต์แต่สวดมนต์เจริญบทพุทธคุณทำมุขุณสังขคุณอย่าให้ไปคิดถึงความกลัวอย่าไปปรุงแต่งเรื่องของความกลัวให้ปรุงแต่งอยู่ดีเพระพุทธคุณเราทำมุขุณเราสามขคุณอิทิปิโสสลาคาโตสุปติปันโนให้สวดไป ฝากเป็นฝากใจไว้กับการสวด น, นะใจก็จะลืมเรื่องของของความกลัวได้แล้วความกลัวก็จะหายไปได้เวลาใจสงบตัวลงจิตสงบตัวลงความคิดปรุงแต่งหยุดคิดปรุงแต่งชั่วข่าวตอนนั้นก็จะปรากฏให้เห็นว่าอ๋อความกลัวนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกความกลัวนี้มันอยู่ในใจของเราเองอยู่ในความคิดของเราที่เราไปคิดปรุงแต่ง ไปได้ยินเสียงอะไรก็เป็นแต่ว่าเป็นผีเป็นเป็นอะไรต่างๆกันแนแะ <Yeah. S 1> ทนที่เราจะไปคิดอย่างนั้นเราก็ให้สวนมนไปลบ ร, รอยคำพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอย่าไปปล่อให้มีโอกาสได้คิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้วพอจิตสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นเขาไม่ได้มาทำลายเราเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรของเราเลย มีเลาจังหาที่จะไปกลัวเขาเองนี่เป็นอุบายของสมาธิคือให้บริกรรมพุทธโธยึด ส, สวดบสวดมันบทไดบทหนึ่งก็ได้ที่เราถนับฝากเป็นฝากใจไว้กับการสวดเหมือนคนที่ใกล้ตายบางทีเขาไม่รู้จะยึดกับอะไรเขาก็ยึดกับการสวดเหมือนแ้วก็สามารถสวดได้อย่าง อย่างต่อเนื่อง จ, จงจิตของเขาลงเข้าสื่สมาธิได้เวลาก็ตายไปเขาก็ไปสู่สุคติได้อยู่ทื่ว่าเคยฝึกมามากน้อยเพียงไรถ้าเคยฝึกมามากโอกาสหรือเคยฝึกมามากจนทชนานาญมารับรองได้ว่าเวลาที่จิตชีวิตของเราเข้าสู่วาระขับขันแล้วจะมีที่พึ่งจะมีที่พึ่งเมื่การส่วดลงเนี่ยสวดไปจนทำจิตใจให้สงบ น, นิ่ง พอสงบหนึ่งแล้ก็จะไม่ลกลู่เรื่องของร่างกายร่างกายจะอยู่้ายใจไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจิตตอนนั้นก็เป็นสุขติแล้วจิตสงบเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นพรมไปแล้วนี่คือความสําคัญของการที่เราจเจริญสติแล้วทําจิตใจของเราให้สงบถ้าเราทําได้ขั้นนี้ตายไปเราก็ได้ไปขั้นพรม เป็นอย่างที่พระอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าที่มีความชำนาญในการเข้าออกในฌานสมาบัติต่างๆก็เวลาที่ท่านตายท่านก็ใช้การเจริญสมาธินี้ทำจิตของท่านให้เข้าสู่ฌานเข้าสู่ความสงบแล้วก็จิตก็จะแยกออกจากร่างไปจิตก็ไปตามสถานภาพของจิตในขณะนั้น ถ้าเป็นฌานก็เป็นเป็นธมลโล ก, ลกรูปฌานก็เป็นรูปรูปภพถ้าอารูปฌานก็เป็นอรูปภพถ้าไม่สงบในระดับฌานแต่ก็ไม่เข้นกับคลุ้งซ่ามุวายยังมีความรับรู้รูปเสียงเกินดลดอยู่แต่ก็แต่ก็ไม่ทุกข์ทรมานใจก็จะเป็นขั้นเทพก็จะได้ไปเสวยกับรูปเสียงเกิลดล ของเทพไปแต่ถ้าอยู่ในขั้นที่ว่าม่นขุมม่นม่วงตกใจหวาดกลัวจนเกิดจะไป็เหม็นจะเป็นบ้าอย่างนั้นก็จะต้องไปอบายจิตอันนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นติดของอบายเป็นของโยนร์ของเปรตของเดรัจฉานเป็นของอสุรกายอยู่ที่การควบคุมความคิดปรุงแต่งของเรานี่เอง เราจรึงต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้ขั้นที่หนึ่งก็คือได้สมาธิแล้วถ้าเราได้ปัญญาเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าได้ปัญญาแนละ้วเราจะสามารถดับความคิดตุ้งแตแคงหรือควบคุมความคิดตุ้งแตแงให้อยู่ในมัดไม่ให้ไปทาสนุกไถได้ความทุกข์ก็จะเป็นการดับอย่างสาววนตามลำดับของขั้น ของปัญญาที่ได้เจริญขั้นโสดาบันก็จะก็ดับความทุกข์หรือควาคุมความคิดได้ในระดับหนึ่งท่านสกิรดาคามีอนาคามีก็ควบคุมความคิดได้อีกในระดับหนึ่งท่านพระอรหันต์ก็จะควบคุมความคิดได้ทั้งหมดท่านพระโสดาบันก็ควบคุมความคิดเรื่องเรื่องความแก่ความเจ็บความตายได้ก็ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ ส่วนท่านขั้นสกิราคามีก็สามารถควบคุมความคิดในทางการอารมณ์ได้คือจะมีความจะเลิกใจควบคุมการอารมณ์ให้เบาบางลงไปได้ทุกครั้งเวลาที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะไม่รู้ถึงความไม่สวยไม่งานหรือความสกปรกของร่างกายเช่นพิจารณาอสุภะในรูปแบบต่างๆอย่พิจารณาว่าเป็นซากศพก็ได้อย่าพิจารณา ว่ามีอาการต่างๆซ้อนอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ได้ที่มีโครงกระดูกมีเอวัยวะวายอร์มีปอดมีไตมีตับมีน้ำเส้นหรือจะพิจารณาของสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายที่สองกลิ่นเหม็นก็ได้เช่นหมุดเจลาตสวะน้ำเงินอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่สุขโรคที่ออกมาจากร่างกาย ที่ที่ที่บิวเวณไปปรุงแต่งว่าสวยว่างงามทำให้เกิดความคลยความยินดีถ้าเป็นพระสกิดาคามีนี่ท่านก็บอกว่าทาได้พอประมาณคือลบความรุนแรงของการมาราคาได้ไปทำให้เบาบางลงไปแต่ไม่สามารถที่กําจัดได้อย่างเต็มที่ต้องขั้นพระอนาคามี ถ้าเป็นพระอาคามีนี่จะหยุดการมาราคะได้ ท, ทันทีทุกครั้งที่มันจะโผล่ขึ้นมานี่จะมีอาวุธมีเครื่องมือมีเบรกที่จะหยุดยั้งการมาราคะได้ ท, ทันทีนี่ก็คือคันของของพระอนาคามีสามารถควบคุมความคิดไปในทางการละเวรต่างๆไนดะ้ส่วนความคิดของบ้านนี้ก็ ความสามารถของธาอาหารก็คือสามารถควบคุมความคิดได้ทุกรูปแบบการคิดควบคุมในการคิดเรื่องตัวตนอัตตาตัวตนก็ควบคุมได้ความคิดที่จะไปยึดติดความสุขจิตไงลนะชนิดละเอียดที่มีอยู่ในจิตในใจก็ควบคุมได้สามารถควบคุมให้จิตปล่อยวางไม่ให้ยึดกับอะไรไม่ให้ไม่ให้อาศัยอะไรเป็น เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจเพราะมีความสุขที่ดีกว่ารออยู่ถ้าปล่อยถ้าปล่อยความสุขต่างๆที่อยู่ภายนอกของใจหรืออยู่ภายในใจของอยู่ภายในใจแต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นความสุขที่มีเกิดมีดแบบับมีเปลี่ยนแปลงก็สามารถควบคุม ความคิดไม่ให้ไปยึดไปติดกับความสุขเหล่านี้ได้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในในจิตเลยคือความยึดติดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะนั้นใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความ สุขไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันหมดสิ้นเพราะเป็นความสุขของธรรมชาติของใจนั่นเองเป็นของที่อยู่กู้กับใจมาตลอดจะถูกวิชาหลอกให้ใจไปคิดปรุงแต่งสร้างความทุกข์ขึ้นมากรบมันจนทําให้ไม่เห็นความสุขชนิดนี้ที่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในใจ ด้วยาการอายการปฏิบัติสติเพื่อเพื่อให้ได้สมาธิแล้วเพื่อที่จะได้เจริญปัญญาดำรงอยั่ต่อไปต่อไปความคิดต่างๆก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมลมขับของใจแล้วก็จะอยู่อยู่ในในความสงบจะคิดก็ต่อเมื่อมีความจาเป็นแล้วก็จะคิดไปในทางมรรคเสมอถ้าจะต้องคิด เร ค, คิดไปด้วยเหตุด้วยผลคิดไปตามหลักของความจริงจะไม่ฝืนความจริงก็จะไม่มีทุกข์อยู่ภายในใจเพราะสมุทัยนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีมากคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทำลายความคิดที่จะไปในทางสมุทัยได้หมด นิโรธะคือการดับทุกข์จรงดับอย่างท้าวรดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไปนี่คือการดับทุกข์ด้วยปยัญญาจะดับได้อย่างท้าวรแต่ถ้าดับด้วยสมาธินี้จะดับได้ชั่วคราวในขณะที่จิตหยุดคิดตรงแต่งแล้ววมเข้าสู่ความสมุกแต่แต่ความดับทุกข์ของ จิตด้วยปัญญานี้ไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่อย่างปกติอย่างนี้แหละแต่จะสามารถควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดไปในทางทางสมุทยได้เอเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ได้ยินอะไรก็ไม่อยากได้คือได้จัตรว์แต่ว่า่รู้ได้จักแต่ว่าเห็นได้สักวร่ว่าได้ยินท่านั้นเองจะไม่มีความดีใจเสียใจยินดียินร้างกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรูบร้ ใจปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นไปตามความจริงของเขานี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติของของพุทธกาลนิกชนที่เริ่มต้งจากการทาบุญให้ทานแล้วก็ ร, รักษาศีลจากนั้นก็จะเข้าสู่การภาวนาการทำบุญรักษาศีลนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นพื้นฐานรองรับด้วสนับสนุนการภาวนานั้นเอง ส่วนการภาวนานี้ก็ต้องมีสติเป็นเป็นพื้นฐานเป็นเกาะเป็นตัวรองรับเป็นตัวถักนั้นให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดนิมุตติหรือพ้นให้เกิดมรรคผลอิพันธ์เนีเริ่มต้นที่สตินี้เราจึงควรให้ความสําคัญต่อสติควรจะฝึกสติอยู่ทุกเวลานาทีไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะเจเริานสติได้ ไม่จําเป็นจะต้องรอไปวัดถึงจะเจริญได้เพราะสติอยู่กับใจอยู่กับกายนี้เองจึงแต่ให้ใจนี้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายไม่ว่ากายทําอะไรก็ตามให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวอย่าไปคิดอย่างอื่นควบคู่กันไปยกเว้นว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องคิดก็ให้อยุดการเคลื่อนไหวของกายไว้ก่อน เราก็คิดให้ก่อนจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้อยากจะคิดเรื่องอะไรวางแผนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่จะต้องทําก็วางแผนไปคิดไปเมื่อเราคิดรอบครอบเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาดูที่กายของเราต่อไปทํางานกับกายไปกายกำลังทําอะไรก็ทํากับกายไปอย่างนี้เราก็จะมีสติและเล่ลุ้ย อ, อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลา พอเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถที่จะทําใจให้สงบนิ่งได้ด้วยการควบคุมความคิดของเราให้คิดอยู่เพียงเรื่องเดียวเช่นพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกหรืออย่างอื่นก็ได้ถ้าเราชอบอเป็นอาการใดอ า, ารอาการหนึ่งของร่างกายก็ได้เช่นโครงกระดูกเราไปใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้หรือจะใช้อาการสารสิทธต้อก็ได้ ท่องอยู่ในการยนครไปก่อนพอรู้สึกเหนื่อยแล้วเราก็ค่อยหยุดการการท่องไปนี้จะทําให้จิตที่ฟุง้งซ่านมีปัญหาฟุ้งซ่านได้แต่มันไม่มันอาจจะไม่รวมลงพอมันหายฟุ้งซ่านแล้วเราก็อาจจะหยุดพิจารณาแล้วเราก็ดูลมหายใจต่อไปรือศักดิ์จะเรารู้อาการใดอาการหนึ่งดูอาการใดอาการหนึ่งไปเพ่งไปเรื่อยๆเพื่อมันจะได้รวมลงเข้าสู่สมาธิได้ต่อไป นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ไม่มีใครทําแทนกันได้บุญนี้ทําแทนกันไม่ได้ที่ทําได้ก็เพียงแต่ให้เศษบุญเท่านั้นเองเช่นเวลาเราทําบุญวันนี้แล้วเราตรวจงานอุทิศส่วนบุญส่วนมุศรให้แก่ผู้ละผู้ล่วงลับไปแล้วเราเพียงแต่ให้เสศษบุญเสศษเงินเศษทองเป็นเหมือนกะเป็นค่ารถค่าเรือให้เขาได้เดินทางต่อไป เลยได้ไปช่วยค่าป่ามารับประทานทักมื้อหนึ่งเท่งนั้นเอง mm hmm. บุญอุทิศนี้จึงไม่ใช่เป็นบุญสําคัญอะไรเลยแต่างบางทีเรากลับกันให้ความสํำคัญกับบุญอุทิศกันมากความจริงบุญที่สําคัญก็คือบุญที่ขณะที่เราทำกันอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เร า, าทําทั้งร้อยเราก็ได้ทั้งร้อย mm hmm. แต่ถ้าเราทําบุญอุทิศนี้เราทําร้อยเราอุทิศไปได้เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นเอง mm hmm. นรื่องขอให้เราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องขอให้ถือว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นหลักส่วนกิจกรรมอื่นเช่นการทำอาหารกินเลี้ยงต่างเรื่องท้ง น, นี้ขอให้ถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลัก แล้ว ก, กิจกรรมที่หาความสุขทางตาหูจมูกมือกายนี้ขอให้ถือว่ามันเป็นยาพิษอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญญาวิเศษมันเป็นเหมือนเสพยาพิษเสพยาเสพตุดมันมีแต่จะฉุดรากให้เราลงต่ําไปมันจะทําให้เราเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาที่ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายนี้ เรา เ, าเวลามาหาความสุขทางความสงบของใจเป็ดีกว่าแทนที่จะไปเที่ยวเราก็ไปอยู่วัดกันไปภาวนากันหรือถ้าไปไม่ได้ก็อยู่บ้านภาวนากันไปอย่างนี้เราจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงถ้าไปทางกิเลสไปทางตัณหามันก็จะเป็นยาพิษสร้างความพิษทามาให้เกิดขึ้นกับใจ ทั้งในขณะที่ไปหาความสุขนั่นแหะบางทีเราไปหาความสุขก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดได้เกิดไม่ได้ตามใจไปไหนมาไ ป, ไปเที่ยวสถานที่ที่ไปมีคนมากๆไปแอาจไปเหยียดเหียดกันไปแย่งกันแทนที่จะมีความสุขก็อาจจะมีความทุกข์ได้ไปโรงแรมที่เต็มไปหมดท่านอาหารเต็มไปมด้วยคนหมต้องไปนั่งรอเป็นชั่วโมงกว่าจะได้รับประทะไ อ, อย่างนี้แทนที่จะเป็นความสุขก็จะกลับเป็นความทุก ข, ข์ขึ้นมา ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าความหาความสุขต่างๆหูจะหมุนลิ้นกายไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์เป็นการฉุดลากตัวเราให้เข้าสู่กองทุกข์ให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถถอนออกมาได้เหมือนคนที่ติดยาเสพติดยิ่งเสพก็จะยิ่งติดเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆจนจะไม่มีกําลังที่จะถอนออกมาได้ก็จะต้องติดอยู่กับ ในโลกของการหาความสุขแบบนี้ไปเกิดมาจีบพบจีธ า, าก็ต้องหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสาที่จะโผลขึ้นมาจากความสุขความทุกข์แบบนี้ได้แม้จะได้พบกพระพุทธศาสนาหรือเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่มีกำลังหรือไม่มีศรัทธาหรือไม่มีความเห็นว่าการไปรปฏิบัติตามที่พุทธเจ้านั้นเป็น เป็นการปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงดังนั้นก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติกันายตามกําลังของเรามีมากมีน้อยก็ให้เ ป, ป็นไปรักษาศีลได้มากน้อยเพียงไย ก, ก็รักษากันไปภาวนาได้มากน้อยเพียงไร ก, ก็ภาวนาไปจเจริญสติได้มากน้อยเพียงไร ก, ก็จเจริญไปแล้วทําให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับขอให้ประเมินผลวัดองตัวเองดูบ้างว่า เราเริ่มปฏิบัติมากี่ปีแล้วเราเก้าวไปถึงไหนแล้วเพื่อเราจะได้กระตุ้นตัวเราว่าเ อ, อ๋อถ้าเราทําน้อยเราก็จะได้กระตุ้นตัวเราถ้าเราทํามากเราก็จะได้มีความภูมิใจได้อยากจะทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการจะเริ่มก้าวหน้าในทางธรรมนี้ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนก็ขอุติการแสดงธรรมไว้ เปี e. <t om half> ่ยนท่นี้ก่อนก็เลยได้ยินทางที่พระเจ้าเป็นไปอยู่กับยืนกับช้าเมื่อกาทำภาษาเล่าเล่บก็มพราะวิสิทธองท่านตีกันอ้าท่าห่างเราก็ไม่หยุดตีกันท่านก็เลยต้องไปยืนจำภาษากัน กับทางอ่อนเราก็จะเป็นเหมือนกันต่างกับเลี้ยงตาอยู่ตีกันหรือเป่าอ่งนี้อยากไปตีกันนะในวัดนี้ให้ท่านเป็นผู้ตัดสินให้ท่านเป็นผู้ยุติเรื่องเราถงกต้องอยาไปตีกันอยากไปเป็นผู้ตัดสินเองท่านว่าอย่างไงก็ฟังท่านเดี๋ยวท่านต้องหญิงไปอยู่คนเดียว อย่างหลวงปู่ปเทศที่ท่านเอาไปมาอานะภาพที่ท้ำขามธรรมคำก็คงจะมีปัญหาที่บ้านทุกป่าก็ไม่ทราบรู้สึกตีกันหรือเปว่าก็จริงๆไม่ได้ตีแต่ทิ้งท่านหมดนะคะแต่ทีนี้ที่ต้องไปจากวัดถินเนี่เนื่องจากว่าช่วงนั้นสุขภาพไม่ดีต้องขึ้นอยู่บนเขา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าลูกศิษย์ก็เนื่องจากว่า <c oughs> ก็ไม่ให้ตีกันถือแต่ว่านึกว่าหลวงปู่ไม่เมตตาแล้วผลสุดท้ายก่อนที่ท่านจะสิ้นสักสองเดือนนะคะที่หมอก็ไปพูดเรียกพามาประชุมกันแล้วก็ผลสุดท้ายก็กลับมามิมนให้ท่านอยู่ต่อท่านก็อยู่ต่อมาอีกปีนึงได้ <c oughs> บังทีครูบาอาจารย์ท่านทัานเหลท่านหลือไอยู่กับลิงลิงก็บนเขาที่ทั้งขาม่แต่ลิงทั้งสิ้นขามแต่ลิงลิงดงาไม่แต่ลิงเยอะมากโดยถ้าแม่ฝังว่าทานอาจารก็ไม่ว่าจะจะจะอยู่ไปทําไมที่ท่านอยู่ก็เพื่อที่จะให้อว่าพวกเราเมื่ออว่าของท่านไม่มีความหมายแล้วท่านก็ก็ไมยใจ แต่ไม่ได้น้อยใจแบบพวกเราน้อยใจ <c oughs> <c oughs> ท่านก็ไปอยู่คนเดียวเีค่ะลบากว่าเขาจะได้สติกันอย่างพวกพระที่ทะเลาะกันพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ชาวบ้านเขาก็สงสัยก็ส่งคนไปไปไ ป, ไปสอบถามไปกลาวุนหรือไปไปไ ป, ไปสอบ ไปสอบดูก็รู้ว่าพระพระพระทะเลาะกันทำไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแตวบ้านก็เลยไม่ศรัทธาที่จะใส่บาตรเพพระพระไม่มีข้าวกินก็เดือดร้อย <c oughs> ทีก็เริม่ม <c oughs> มีจิตจำเล็กขึ้นมาก็ต้องไปกราบขอข้าพระพุทธเจ้า พรจ้าบอกวความสามทีของส่วนของหมู่คณะนี้เป็นส่วนความเจริญของคณะถ้าความแตกแยกกันแล้วนี่มันก็จะเป็นความเสื่อมความทุกของหมู่คณะเราอย่าเอาแพ้ชนะเลยเราเอาตรงที่ว่าสารตัดทิ้งยังไงก็รับความคำตัดสของศาล เมื่อยู่ทอนมีสารเดียวแต่คำพูดของครูบาอาจารย์ในน้ำหลักในความศักดิ์สิทธิ์มาก็เท่านั้นเองเราก็ยอมนับเราแล้วว่าต่างคนก็ต่างอีู่กันไปถ้าไม่ได้มีความเสียดวงเสียดายอะไรหรอกมัเป็นข้าวของเงินทองท่านก็ถือว่ามันจเป็นเป็นของนอกใจนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้ท่านก็เพียงแต่น สงเคราะ์โลกไปตรงนั้นอแต่พวกเราก็อาจจะมองอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองว่าท่านถูกต้องถูกปี่ถูกอะไรก็อยากจะมาปกป้องเราช่วยนึกถึงท่านแต่ความจริงถึงแม้ร่างการท่านจะมีอายุมากสิ่งใดก็ตามแต่ใจงท่านไม่ได้แก่ตามร่างกายปฏิปันญาวท่านไม่ได้เสื่อมไปกับราการ พวกเราไม่รู้กันเพราะเราคิดว่าคนแก่แล้วอาจจะล้ม ล, ล้มลืมรือคิดอะไรผิดผิ ด, ผดถูกๆแต่ใจของพระอริยนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้ามีสติสัมปชนะัญญะสมบูาารณ์ตลอดเวลาเพะงไม่ต้องไปไปไปกา้าวนไปวิตกกปล่อยให้เป็นปลายตามเป็นเรื่องของท่านก็แล้วกัน เราไปทำํำบุญล้วก็ไปทําบุญกันอยากจะถวายเงิ น, นถวายทองมาถวา ย, วายไปอยากจะรักาษาจิตปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปทำคเทศความทางไปส่วนคนอื่นเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเรา<ม>เราจะได้ดูได้กุศลอย่างที่ไปแล้วกลับมีจิตใจทีว่วายว่าวุคนขุ่นวัวมีจิตใจอคิดแต่<ม>คิดร้ายแต่ผ<ม>ู้อื่น ก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองไปตลอดเราก็ต้องหว่อย ว, ว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกันใครทำกรรมอย่างใดววาก็ต้องเป็นก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเขาทำดีเขาก็จะได้รับผลดีเขาทำชั่วเขาก็ต้องรับผลชั่วไปเราไม่ได้ไปเป็นผู้รับผลแทนเขาสนนเราไปวิตกังวลทำไมให้เราให้เรามาดูที่ใจเราเป็นหลัก อยู่ใจของเรา่าสงบสบายไหววางได้หรือเปล่าของทุกอย่างก็เป็นของนอกใจนอกกายอยู่แล้วตายไปเราก็ไม่ไเรียกเรื่องราวเหล่านี้ไป <c oughs> นอกจากเอาความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปลูแต่งของเราไปนั่นเองนั่นเราต้องรู้จักคิดเาื่อจับคิดก็ด ค, ค, ด ค, คิดไปในทางมากกว่าเคือ ค, คิดให้ปล่อยวางให้สักแต่ว่าให้สักแต่ว่ารู้หรือว่าเหตุการณ์เป็อย่างนี้ก็รู้ไว้เรามีหน้าที่ต้องทําอะไรรู้ปะถ้าไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวกับเราเราก็ก็ไม่ต้องไปทำเราถ้าเรามีหน้าที่ทำอะไรเราก็ทําำไปพูดไป ก็มีเทางนี้ทีิทานรูปการขอมาธิอาจารย์วันที่แล้วที่ตั้นถามว่าทิดนี่ิดจงดลนะคะมีบางคนบอกว่าพุูมันจะปิดสมาูิโอ้โอเราพูดถือนม่ใไม่เกี่ยงกันหรอกพวกบาเราก็ก็พูดแบบไม่ใช่อ่ามีคนละทักถึงไม่ได้เสียย ยัอคิดถ้าฟังแล้วไม่ชัดก็ต้องถามขับรถไปแค่รอบเดินไม่เจ้าค่ะเราหลวงปู่ยิ่งงงไม่ได้เขถามอ่ะถามใหม่เลยนิ่งกบบสงบมีความสะวกของจิตก็คือไม่มันไม่ปุแ่แต่งเวลาจิตลมลงเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเพราะนั้นความคิดปุงแต่งก็ไม่มี มันก็สงบแล้วมันก็นิ่งด้วยแต่พอออกจากความสุบแล้วมันจะเริ่มมีความคิดปรุงแต่งแต่มันก็ยังเนิ่งอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีอารมณ์โยมันยังไม่เป็นปฏิกิริยากับกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาของผัสลับนู้นถ้ามันไม่คิดปรงแต่งไปในทางสมุทัยมันก็ยังจะนิ่งอยู่แต่ถ้ามันคิดปรงแต่งไปทางสมุทัยมันก็จะไม่นิ่งอ้ะมันจะเกิดอาการยินดีเรียนร้าย นี่คือคามคือความหมายพูดถึงว่าเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วจิตยังยังนิ่งอยู่แต่ไม่สงบแล้วออกจากความสงบแล้วแต่ตอนต้นพูดเหมือนสับสนพูดแต่ว่ามันมันนิ่งนี่มันสงบออนะี่อะไรอะไรไม่เข้าใจแต่หมายความว่าจิตของคนที่ได้นั่งสมาธิออกมา่ต่างกับจิตของคนที่ไม่มีสมาธิตรงที่ว่าเวลาเออกจากสมาธินี่มันจะนิ่งมันยังนิ่งอยู่ แต่มันมันมันไม่สงบหือนิ่งนิ่งทางด้านด้านด้านกลางมีปฏิกิริยากับอารมณ์ต่างๆกับรู้เสียงกินวัดมันจะไม่วุ่นว่าเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธินี้จิตใจจะไม่หนักแน่นอะไรมากระทบกับตาหูจมูกเล้นกายก็จะเกิดอารมณ์วุ่นว่าขึ้นมาทันทีแต่คนที่มีสมาธิจะเหมือนกับว่า มันจะนิ่งจ ะ, จะได้ยินได้ผลอะไ ม, มันจะไม่วูบวักขึ้นมะมันอาจจะมีบ้างแต่มันอาจจะไม่ไม่มากเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิก็คือความนิ่ง<ม>แล้วถ้าเราต้องการจะรักษาความ น, นิ่งเราก็ต้องใช้ปัญญาถ้ามันเกิดไม่มันไม่นิ่งมันจะเริ่มออกไปสู่อารมณ์แล้วเริ่มไปมีปฏิกิริยาเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสกัดว่า ไม่ต้องไปมีอะไรกับเขาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นอย่างนี้เร า, เปารไปบังคับไปควบคุมเขาไม่ได้เราอย่าไปดีใจเสียจใจกับเขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเราต้องพยายามรักษาใจาของเราให้หนิ่งอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะไม่สงบแต่ก็ให้มันนิ่งแต่ถ้ามันนิ่ง ม, มันก็จะเหมือนกับสงบแต่มันมีการเคลื่อนไหวคำว่ า, าสงบ ลุ้นนิ่เนี่ยไม่รู้จะใช้คาไหนแต่มันก็เวลานั่งอยู่ในสมาธิมันมันทั้งนิ่งทั้งสงบคือมันไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยมันมันต้องเคลื่อนไหวไปกับร่างกายมันมันมีการทํางานแต่มันมันมันไม่ได้ทํางานไปในทางอารมณ์มันไปมันไปตามเหตุตามผลตามเหตุการณ์เป็นความคิดปรุงแต่งกบบปรุงแตเช่นสั่งให้ร่างกายเดินไปทํางานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ มันก็ยังนิ่งได้อยู่ทงทำได้านอารมณแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีสมาธินี่พอมันออกมาปั๊บมันได้ยินเสียงปั๊บทำอะไรปั๊ บ, บมันก็จะก็อารมณ์ขึ้นมาได้ ท, ทันทีเหมือนคนที่ไม่มีสมาี่แล้วตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยพออะ้รมาสัมผัสก็ อ, อาจจะทําให้เกิดอารมณ์โงดิบขึ้นมาได้แต่คนที่ออกจากสมาี่นี้่จะไม่ไม่โ ง, งดิทันทีทันใดถ้าเป็นเปรียบเทียบแล้วกับ ป่าป่าที่ในหน้าแรงกับป่าในหน้าหน้าฝนนี่คนที่มีสามาธินี้เป็นเหมือป่าในหน้าฝนไฟัะไม่ค่อยลุกเท่าเช่นใครเอาเศษบุหรี่ทิ้งเข้าไปในป่าในกองใบไม้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลุกขึ้นมาเพราะใบไม้มันเปียกชื้นแต่ถ้าถ้าเป็นหน้าแรงอย่างนี้ใบไม้มันแห้งอเอาโยนก้นบุหรี่เข้าไปในกอง กองใบไม้ไ ม, ม, มันก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ใจที่มีสมาธิกับใจที่ไม่มีสมาธิก็เป็นแบบป่าป่าไม้ที่ในหน้าฝนหรือในหน้าแล้งจะเป็นอย่างใจที่มีสมาธิเหมือนกับมีบน้ํำหลอดเลี้ความเย็นหลอดเลี้ให้ชุ่มชื้นให้มีความหนักแน่นให้เหมืนอนกับหินจะไม่จะไม่วู่ว่าไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าใจที่ไม่มีสมาธิมัเป็นอยญางนุ่น อะไรพัดมานิดเดียวลงเบาๆแพัดมาก็ปิวตามไปละใครพูดอะไรใครทำอะไรนิดหน่อยไม่ถูกใจก็เอาลงเสียไปละนั่นก็นี่ก็คือพูดถึงเรื่องสงบก่อนนี่จะเอาไปใช้ไหก็เป็นเรื่องของภาษาแหละภาษาอังกฤษมีไ่มคะคุณธรรมไหมคะบ้านบางทีมันชอเป็นภาังกฤษแล้วมันเข้าใจเข้าใจกั ก็ต้องใช้ใช้การอธิบายแล้วก็จะใช้คําว่าสงบกันนิ่งอย่างไรก็คงก็คงจะได้เพราะคําว่าสงบกันนิ่งก็เป็นคําที่เราสมมุติขึ้นมาที่เราใช้กับอาการต่างๆแต่บางทีมันก็เป็นคําที่ชดมันใช้แทนกันได้คือทุกอย่างนิ่งสงบสงบนิ่งเนี่ยั้าเกี่ยวกับสติของเราด้วยไหมจ๊ะคะถ้าถ้าเรานั่งสมาธิออกมามันมันเหมือนว่ามันมีสติ ใช่หยาบอะไรก็คือเราจะตามรู้ทันใช่สติก็จะคอยดืมใจไว้เนี่ยไม่ให้ไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้ออกจากฐามของความนิ่งในของความสงบถึงแม้จะออกมารับรู้มีความคิดปลุแต่งก็จยังยึดมันไวาอยู่ไม่ให้พู้ว่าไปกันอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสแล้วยิ่งถัามีปัญญากํากับด้วยแล้วก็จะยิ่งนิ่งอยนี้จะไม่มีอาการรู้ว่ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ, ๆจะสับแตว่ารู้ เป็นอุเบกขาทางที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิตามปกติที่เราจะต้องเข้าสมาธิเราถึงจะได้อุเบกขาถ้าคนที่ไม่เคยไม่เคยมีสมาธิในใจจะไม่มีอุเบกขาเลยจะมีอุเบกขาได้ก็ตามที่เข้าไปในสมาธิแต่ก็ออกจากสมาธิแล้วอุเบกขานี้มันก็จะค่อยๆจางไปเหมือนกับ เ, เวลาเราเอาน้ำแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาอากมาใหม่ๆมันก็เย็ยยนแต่เราทิ้งสักพักหนึ่งมันก็จะหายเยน็นมันก็จางไปว่าเราไปสมาธิไปชักระยะเราไปทาํทานู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวความเป็นอุดเบิดขาก็จะจางหายไปแต่ถ้าเราอยากจะรักษานี้อยู่เราก็ต้องใช้ปัญญากับสติเนี่ยคอยคอยดึงถ้ามีสติก็อ ย, อย่างน้อยก็พอจะให้มันนิ่งได้แต่มันจะไม่นิ่งอย่างมันจะนิ่งแบบ อาจจะขึ้นขึ้นลงลงบ้างเพราะว่าขึ้นแล้วแต่กับเหตุการณ์ที่ไปสัมผัสแต่ถ้าเรามีปัญญานี้มันก็จะสามารถที่จะกดอารมณ์ต่างๆคือรักษาความเป็นอิสระเ ว, าวลาถ้าปัญญาทำกับเหตุการณ์ถ้าปัญญาไม่ทำกับเหตุการณ์ก็จะเกิดอารมณ์วุ่นวายขึ้นมาได้ อันนี้ก็พูดเป็นโดยสังเกตเพื่อให้ให้ให้ใ ห, ให้ให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นภายในใจที่จะเกิดจากการปฏิบัติของเราแต่คำพูดคําว่าสงบเงี้ยนี้มันก็มันก็ทบมันก็เป็นเพียงแต่สื่อท่านั้นเองที่อยากจะสื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราว่าเป็นอย่างไรเวลามีสมาธิไม่มีสมาธิเป็นยังางห ร, รืเรวล า, าออกจากสมาธิแล้ว มันเป็นอย่างไรเราเรายังจะรักทําให้มันนิ่งได้หรือไม่คือออกจากสมาธิแล้วมันไม่สงบคือมันคิดตรุงแต่งได้แต่ทาให้มันนิ่งได้ั้มคือไม่ให้มันมีวุ่ว่าแต่ตามอารมณ์ได้ไหมมันก็เลยต้องใช้คําคำอย่านี้มามาใช้ซึ่งคำเหล่านี้เราไม่ได้ใช้กับเหตุการณ์ในจิตของเราส่วนใหญ่เราจะใช้กับเหตุการณ์ภายนอกเอเมนพอเรามาใช้กับ แต่เหุการณ์ในจิตบางทีมันก็ก็ลำบากฟังแล้วอาจจะไม่ไม่เข้าใจครับเพิกแต่ถ้าไม่ขยายความนี่ก็เลยต้องมาขยายความคนฟังก็ฟังแล้วเขาก็งงว่ามันสงบแล้วมันไม่ดิ่งมันนิ่งแล้วมันไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฟังน่อยแต่ไม่เข้าใจความหก็เลยถามซึ่งก็มีคนไปทักแต่ ว, ว่าไม่ไม่สมควรที่จะถาม ไม่เอาไปจับผิดควจริไม่ได้จับผิดหรอกเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ถามได้ไม่เป็นปัญหาอลไรถ้าคำถามของเรามันมันอยู่ที่เจตนาต่างหาแล้วมีความสึกกับใจหรือไม่อยู่ตรงนั้นคนฟังก็รู้เวลาถามมาว่าถามมาแล้วเจตนามันมันมันมันคำถามในตัวนั้นอ่ะมันจะมันจะบอกเจตนา ไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงจะมีเจ็บอะไรล้าก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราเราเราไม่อยาปมนปัญหาใช่ไหมเราอยากเป็นปัญหาเรามัาเขาจะไล่ก็นเลยของเขากดตรงไปข้างหน้าไม่ได้หรคือให้เราใจของเรานิ่งๆกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ไม่ดีใจไม่เสียใจจะเรียกว่าสงบก็นก้าจะเรยกว่านิ่งก็น่าพยายาไปให้เป็นีปปฏิปิเรียากับรูปเสียงกลิ่รกับเหตุการณ์ที่เราที่ใจของเรามาสัมผัสกันรลยแม้จะจะตายในขณะนั้นก็ยังนิ่น ง, งเฉยได้อยู่ก็นะแสดงว่าเราเราสอบผัาน <đây, S 1> เรามีสติปัญญาที่ สามารถควบคุมความคิดปุงแต่มของเราไม่ให้คิดไปนในทางสนิทไทยได้ถ้าใจเราไม่นิ่งรวู้ว่ามีแสดงว่าพิชาปัิญาสังขารทำได้เกิดทุกข์ขึ้นมาว้าวุ่นขุนยววขึ้นมาแต่ถ้าถ้าอะไรเกิดขึ้นก็ น, นิ่งเฉยจักต่ ว, ว่ารู้อย่างนี้แสดงว่าเรามีธรรมะ คอยส ก, กัดอวิชชามีปัญญาคอยส ก, กัดอวิชชาไม่ให้ไปสั่งให้ให้สังขารปรุงแต่งไปในทางทางสษษนิททายที่ทําให้เกิดอารมณ์ว่าวุ่ น, นขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่การฝึกสติแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาทั้งสามส่วนนี้จะเป็นเป็นเป็นองค์ประกอบที่จะจะควบคุมอวิชชาได้ ถ้ามีต่สติปัณณาที่นี้ก็ควบคุมอาวิชาได้เป็นครั้งเป็นคราวเวลาที่รวมเข้าสู่ความสงบเวลานี้ไม่ไม่ขยับเลยแต่เวลาออกจากความสงบนี้เริ่มมีความคิดปุงแต่งอวิชาเขาก็จะมีมีโอกาสที่จะเข้ามาสั่งความคิดปรุงแต่งได้ถ้าไม่มีปัญญาคอยสั่งก็เห็นเวลาก็จะเกิดรักเกิดชอบเกิดชังขึ้นมา ก็เป็นเรื่องของอวิชชาไป้วพอมีความรักมีความชางความยินดียินร้ายนี่ก็เป็นเรื่องของอวิชชาไปแล้วแล้วจะเกิดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้หรืออยากไม่ได้ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาก็เฉยๆเช่นเขาจะให้ตําแหน่งและอะไรเราก็ได้เลื่อนขึ้นก็ได้เลื่อนลงก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่า ถ้าได้ทั้งสองอย่างก็แสดงว่าไม่มดีย ว, วิชามา <Okay. S 1> มาเกี่ยวก็แต่ถ้าว่าต้องต้องขึ้นอย่างเดียวลงไม่ได้อย่างเนี้ย mm hmm. แสดงว่าโดนวิชาค mm hmm. วบคุมละสั่งการละยืนยันลายละ mm hmm. เราต้องพร้อมรับกับทุกสภาพ mm hmm. ไม่ว่าขึ้นไม่ลง mm hmm. ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ mm hmm. ไม่ว่าได้หรือเสีย mm hmm. ยังสักแต่ว่ารู้ยังเป็นอุเบกขาอย่างนี้ แสดงว่าเรามีธรรมะมีสมีปัญญาควบคุมเราวิชาถ้ามีวิชาแล้วมันจะคิดแต่อัตตาตัวตนของเราตัวเราของเราต้องดีเสมอต้องขึ้นเสมอต้องใหญ่เสมอถ้าถ้าลนลงมาแล้วก็จะไม่พอใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมามนก็ต้องฝึกฝึกสติฝึกสมาธิ พอมีสติมีสมาธิแล้วใช้ปัญญาสอนใจมันก็จะทําตามคําสอนได้เพราะมีกําลังที่จะหยุดหยุดหยุดความคิดตัวต่างที่จะไปในทางสมงบใยได้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาถึงแม้รู้ว่ากําลังคิดไปในทางสมงบใยก็หยุดไนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกําลังหยุดเนี่ยตัวสมาธินี่เราเป็นตัวตัวกําลังหยุดพอจิตสงบ เป็นสมาธิปั๊บมันก็คิดตัวแต่งไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เราถ้าเรามีตัวนี้แล้วเวลาที่จิตคิดไปในทางสมุไทยแล้วเรารู้เพราะปัญญาบอกนี้เป็นสมุไทยเนียเราก็จะหยุดมันได้ถ้าไม่มีปัญญาบอกเราก็ไม่รู้บางทีแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นธรรมะหรือเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา มันมีคำามต่อเนื่องถามลูกกูตอบไม่ได้ไหมไม่แต่ไม่ไม่ได้ถามเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าที่ท่านอาจารย์อธิบายเมื่อกี้ลูกเข้าใจว่าไอ้ตัวนิ่งก็คือสภาวะของจิตที่ต่อเนื่องมาจากความสงบว่าเราสามารถจะ นี่ต่อสิ่งที่มากระทบได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นถูกจรงนี้ใช่ไหมคะเ<ต>ถงองก็เลยค<ต>ุณที่พี่เขฟังอย่างนั้นถ้าต้อมยืนปัญญามันจะไม่นี่งพอแก่สมาธิแล้วนะเดี๋ยวอาวิชาช่วยแจ้งให้คุ้มแต่งไปทางยืนดีแว้ามันก็จะไม่นิ่งมันก็จะมันก็จะมีการแกว่งไปแข่งมา แต่ถ้ามีปัญญามันก็จะอยู่ตรงกลางมันไม่แกว่งไปกว่มามันจะเฉยไม่เห็นว่ามีอะไรดีหรือชั่วทุกอย่างก็เป็นเพียงดินน้ําลมไฟใช่เรามองให้มองทุกอย่างว่าเป็นเพียงดินน้ําลมไฟร่างกายของพวกเราทุกคนได้มาจากดินน้ําลมไฟในเดียวก็จะต้องกลับไปสู่ดินน้ําลมไฟเห็นเวลาเห็นว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นภาพเป็นภาพหลอนเป็นภาพลวง พ่ามันมันมันสวยก็สวยเดียวเดียวแล้วมันไม่สวยมันก็ไม่สวยมันก็ไม่สวยไปตลอไม่ไม่ใช่จะไม่สวยไปตลอดมันเป็นซากศพเดียวมันก็มันก็จากซากศพมันก็กายเป็นดินน้ำโดนไฟมันสวยแล้วเดี๋ยวมันสวยเดียวมันก็กลายเป็นซากสพเราเห็นเห็นเห็นทุกประภาพของของร่างกายเห็นตอนที่มันสวยเห็นตอนที่มันไม่สวยนะเห็นตอนตอนที่มันไม่ใช่สวยหรือไม่สวยมันเป็นดินน้ำโดนไฟ ถ้าเราเห็นตรงนั้นเราก็จะมองข้ามความสวยความไม่สวยได้ก็จะไม่มีความรักความช่งความิีดีรักทรับย์สินต่างๆเพราะเวลาเรามองเห็นดินน้าลมไฟเรามีอาการมีความรู้สึกกับเขาอย่างไรเรารู้สึกเจ๊๋ๆเห็นฝนตกแดดออกเห็นเห็นอะไรเห็นดินที่เราก็ไม่ได้เป็นดีใจไปเสียใจไปรักไปชังแต่พอมาดูเป็นอาการ32มีรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ อาการรักชังขึ้นมาเราต้องมองมองให้เห็นความจริงของของร่างกายว่าเป็นถึงนดิน น, น, น้ำลมไฟถ้าเราจะไปยินดียินร้ายกับลดินน้ำลอไฟทำไมแต่เราไม่มองกันเราจะมกจะมองแต่รูปร่างหน้าตาเวลา เห็นแล้วเราญปู่จเจริญกาก็ชอบก็มีความสุขพอเห็นแล้วมันจะเรารู้จเจริญกาก็มีความเศร้ามีความทุกข์แล้วมันก็อยู่ในร่างกายอันเดียวกันนี้แหละมีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยและในที่สุดมันก็จะหายไปหมดทั้งสวยทั้งไม่สวยตายเป็นที่เท่าที่ฐานไปหล่ะคนตายไปแล้วเราไปเผา ก็เหลือแต่ที่เท่านี้แต่เศษกระดูกท่านั้อท่านั้นดูแล้วก็ไม่ว่าสวยหรือไม่สวยดูก็เฉยๆดูก็มีแต่ตรงสองเลยเราหลงหลงอยู่กับไอ้ก้อนกระดูกเศษกระดูกเศษที่เท่านี่มาเรื่อู้กี่ปีแล้วเนี่ยหลงสุขหลงทุกข์ไปทังเขาเพราะเราไม่ยอมมองภาพดูน เราไม่มองเลยทุกตั้งแต่ให้คร บ, บกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นในด้านในขณะที่ตั้งทันอยู่ในท้องของแม่แล้วก็จะริ่มเติบโตข้อออกมาแล้วก็แก่ตายเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปเราไม่มองให้มันคร บ, บกระบวนการเราก็เลยถูกภาพลวงภาพร้อนที่หลอกเราเนี่ย ภาพของพวกเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี่มันเป็นภาพหลอนภาพดวงเพราะมันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใช่อีกสิบปีลองลองลองถ่ายรูปนี้ดูนล้วมาดูอีกสิบปีหน้าตาเป็นยังไงอีกยี่สิบปีเป็นยังไงยี่สิบปีใครจะอยู่บ้างใครจะไปบ้างนี่คือปัญญาถ้าเป็นปัญญาก็ต้องต้องพิจารณาให้ครบทุวทั้งทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วมันจะได้เข้าใจจะเห็นภาพจริงว่าเป็นอะไรกันแน่อะไรเป็นจริงอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงไม่จริงเห็ที่จริงก็คือดื่มน้ำในฝันอย่างอ่นมันไม่จริงอย่างอมันชั่วคราว <c oughs> มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมัน แต่เนอย่างนี้แนละ้วมันก็จะสักแต่ ว, ว่ารู้สักแต่ ว, ว่าเห็นได้มันก็จะเป็นอุเบกขาได้เห็นอนะไรสวยก็เหมือนเห็นดอกไม้ดอกไม้บางก็รู้ว่าสักสองวันเนี๋ยวมันก็มันก็เหี่ยวแล้ะดอกไม้ที่เราบูชาพระอย่าเงี่ยไม่กี่วันมันก็เหี่ยวนี่ก็มีในพระไตรปิฎกที่มี บางรูปท <necessary. S 2> so, so, so, so, so, ี so, so, so, then, Tenn so, ่ท่านบรรลุด้วยการพิจารณาดอกไม้เรื่อยๆพิจารณาเห็นแล้วก็บรรลุธรรมได้หรือมีพระรูปหนึ่งพระอาจารย์ะพิจารณาศพของโสเปนีโสเปนีที่มีชื่อของของเมืองพขตายใหญทางด้านจะดูจะดูศพท่านก็บรรลุได้แต่ไม่ทราบบรรลุขั้นไหนแต่ก็บรรลุได้ขัั้นของท่านได้ ถ้าเห็นเาสุภาพมันก็ไม่เยอะมันก็มัน ก, มนก็มันก็คำคำจัดการราคานัดังน้นบางทีถ้าเราไม่ไปเห็นของจริงบางทีมันก็มันไม่สะเทืนใจบางทีต้องไปเห็นภาพของคนตายยิ่งคนที่สวยๆล้วไปดูว่าตามที่เขาตายว่าเป็นยังไงแต่ได้โอ้โหนี่ยก็มีแค่นี้เอง มันได้สวยไปตลอดโดยแต่สมัยนี้เขาก็มีมีภาพ่าเสร็จให้ดูแล้วก็ดูว่าเออเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยลองลองแหวก อ, อกออกมาดูมาโชว์กันนั่งไงไปใต้ไใต้ตผินังของเรานี้มีอะไรผิหน้าตาของเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราฉีกผิวออกมาจะไปใต้ผิวเนื้อของหน้า ที่เป็นในหน้ากากเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันก็มีหัวกโลกอยู่แต่เราไม่ไปมองกันแบบนี้เรามองแบบเพียงเพงเพียผิวที่มันคุมหัวกโหลกมีไว้เท่นี้ต้องพิจารณาองนี้ถึงจะคุณจะเห็นความจริงเราเห็นความความจริงบางสว่วนมันก็เลยทําให้ ไม่เห็นความจริงที่ถูกต้องเห็นภาพภาพหลงภาพหลอกไปเราก็เลยหลงเวลาสวยแล้วก็ดีใจรักกันเหลือเกินเวลาไม่สวยก็อยากจะอย่าอยากจะเลิกกั น, นเช่งเปิดท่าหน้าไปถูกไฟคลอกไฟหไหม้ใครรักกันยังไงก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งที่ก็เป็นร่างกายเดิมอยู้ ร่างกายของคนเดียวกันแต่มันภาพมันเปลีป่ยนนะนี่คือความไม่เทีย่ยงของของสิ่งต่างๆเี่นร่างกายต้นถ้าเราไปหลงมันก็จะมีความรักมีความชังเกิดขึ้นเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยมันสวยสวยนานถ้าขนาไหน มันจะสวยนี้ไปตลอดหรือเปล่าจะดีอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาแล้วมันจะกลับไปไหนมันจะกลับไปเป็นอะไรมันก็จะกลับไปสู่ดินน้ําำมูลไฟคือมันเป็นดินน้ําำมูลไฟในรูปแบบของร่างกายของอางการ32ถ้าเราบีบร่างกายนี้เอาเอาร่างกายเข้าเครื่องบีบเนี่ยมันก็มีน้ําถลิบออกมา เพรา่างกายนี้ส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบมีน้ำมีลมลมที่เราหายใจก็ออกไปก็คือความร้องที่มีในร่างกายดิมก็คือสิ่งที่เป็นส่นแข็งก็เป็นดี้ก็มีอยตรงนี้แหะถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมันจะมันจะไม่หล มันจะไม่ไม่ไม่รักไม่ชังถ้าเขาดีเขาชื่อมันก็เป็นเรื่องของการของเขาไปถ้าเขาสวยก็ร่วงเขาก็สวยชั่วเก่าไม่สวยไปตลอดเดี๋ยวก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนไปจากสวยเป็นไม่สวยเวลายืดเจ็ดสิบแปดสิเข้าไปแล้วยังไงดูยังไงก็ไม่สวยแล้วะ ดูพวกเราจะได้รู้ทันแล้วปล่วางไม่ไปหลงไปมีอารมณ์เก่เาเวลาไม่มีอารมณ์นี่กลับจะมีความสุขมากกว่าเวลา ม, มีอารมณ์เวลามีอารมณ์นี้มันทุกข์ทรมานใจมันเหมือนคนที่อยากย า, กยากเสติดหรืออยากเล่าอยากดู่เวลาไม่ได้สูดไม่ได้เดืนเล่านี่มันทรมานใจมากเวลาอยากจะจะสูดหรืออยากจะเดื่ม พอได้สุดได้ดื่มมันก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวก็เหมือนก็ได้ความสุขความจริงมันเป็นการดับทุกทอมในใจมากกว่าแต่เป็นการดับทุกที่เป็นการสร้างความทุกข์กองใหม่ขึ้นมาเพราะหลังจากนั้นไม่งานความอยากจะดื่มอยากจะสูดมันก็เกิดขึ้นมาอีกมันก็เกิดความทุกข์ทรมใ น, ในใจขึ้นมาอีมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด วิธีที่จะหลบความทุกข์จำท้ายที่มันต้องหับความอยากคือฝืนความอยากมันจะอยากยังไงเราก็อยากไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีกาลังเพราะอยากเรามันไม่ได้มันก็ไม่อยากจะอยากอะไรอย่างงแต่ถ้าอยากแล้วมันได้มันก็อยากจะอยากเพิ่มขึ้นได้คือไปอยากที่ด้าป็นสอบได้สอบก็อยากจะได้เป็นวา ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอไม่ได้วันนี้ปั๊มพรุ่งนี้มันก็จะอยากน้อยลงแล้วพอพอพรุ่งนี้ไม่ได้มันก็ยิ่งอยากน้อยลงไปใหญ่จะในที่สุดมันก็หายอยากเพราฉะั้นถ้าเราต้องการดับทุกข์ใจเราก็ต้องถึงความอยากด้วยด้วยการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาถึงจะสามารถสู้กับความอย่างได้ แต่ถ้าจะใช้แบบเหตุผลอย่างที่เราคุยกันแค่นี้ไม่พอหรอกไม่มีกำลังพอถึงถึงแม่รู้ว่าเออไม่ทำตามคํามอยากแล้วตอไปความอยากมันจะเบาไงมันจะหายไปแต่ตอนที่มันยังไม่หายเนี่มันทรมารแล้วเราไม่มีเครื่องมือที่จะจะต่อสู้กับมันถ้าเรามีสติเราอย่างน้อยก็ทำจิตให้สงบได้ความอยากที่รู้ที่สร้างความทุกข์ทรมารใจมันก็สงบตัวไปชั่วคราว ือถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะที่จะตัดมันได้อย่างสบายถ้าเรามีสมาธิด้วยถ้ามีกัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ตัดมันไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากรู้ว่าความอยากนี้ไม่ดีรู้ว่าทาแล้วไม่ดีทาแล้วมันไม่มันไม่หมดมันไม่อยู่อยากก็หยุดที่จะแต่ก็ไม่สามารถหยุด ความอยากได้แต่ถ so ้ามีสมาธิแล so ้วหยุดได้เพราะเราก็หยุดมาแล้วเหมือนพอปัญญาบอกว่าอันนี้ให้หยุดนะเหมือนก็หยุดแล้วก็หยุดมันได้เหมือนกับรถที่มีเบรเรารู้ว่าถึงสี่แยกต้องหยุดมันก็หยุดได้เพราะมีเบรคแต่ถ้ารถไม่มีเบรทั้งรู้ว่ามาถึงสี่แยกต้องหยุดแต่หยุดไม่ได้เพราะไม่มีเบร แ ต, แต่สมาธิยิ่งต้องมีปัญญาคอยบอกว่าควรจะเบรกตอนไหนควรจะไม่เบรกตอนไห น, นปัญญาจะรู้ว่าอั น, นี้เ ป, นเป็นปัญหาอันนี้ไม่เป็นปัญหาถึงได้มีความสัมพันธ์กันสติสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติไปมันก็จะเข้าใจอปฏิบัติไปมันก็จะ เห an, ็นการทํางานของของจิตเห็นผลที่เกิดข er ึ้นจากการทำงานของสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นก็อย่าฟังอย่างเดียวบางเรื่องก็ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงคนทั่วนี้ก็เหนื่อยดูขีดทางกีดหง่อกลับมาที่เดมทำงานเอนเดิม อกาสการนักวิสัขอความเข้าใจว่าเห็นเห็นกายในกายภายในเห็นกายในภายนอกเห็นกายทั้งภายในและภายนอกกลายเนนวมัทนาจร่งใช่ไหมครเห็นกายของเราและเห็นกายของผู้อื่นถ้าเราเห็นกายของเราคนเดียวเราอาจจะมีอคติว่าเรา่างกายเราไม่สวยไม่งามแต่เราไม่ความไม่สวย่งามของร่างกายคนอื่นเวลาเราวองคนอื่นเราก็ยังจะเห็นความสวยงามก็ได้ ถึงถ้าเราลองเขาไม่สวยางามแล้วเราไม่มองเขาเราเราก็จะคิดว่าเราสวยางามแต่ค น, นอคื่นเขาไม่สวยางามเดีวมันจะไม่เสมอหตุผลกันการดูทั้งภายในทั้งของเราและของที่อื่นเพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็ น, น, น, นเหมือนกันร่างกายของใครเหมือนกันทคือกายเนืายกายในและกายนอก ส่วนกายในการนี่มันเป็นเพป่นคําพูดไม่ทราบว่ามีความหมายยังไงถ้าที่เข้าใจก็คือถ้าที่เคยได้ยินมาท่านบอกว่าเ<ม><ม>วลาเราพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็มันก็เหมือนกับพิจารณาการในกายเราพิจารณาอาการพิจารณาอาการสามสิบสองเนี่ยกรดูก็ได้หรืออาการใดอาการหนึ่งก็เท่ากับเราพิจารณาอาการในก า, แ า, า, า, กานยแต่ความยสึก ของเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงคําพูดเพื่อย้ําให้เราพิจารณากายก็คือมาถึงว่ากายที่ดีในร่ส่วนส่วนประกอบของร่างกายหรือไก็ขอเราพิจารณากายเราแล้วกันจะเป็นกายในกายหรือไม่ก็ไม่สําคัญขอเราพิจารณาพในรายละเอียดที่ในสถิประกานที่อื่นที่แสดงว่าการพิจารณากายในกายก็คือการพิจารณาอาการ32 ให้พิจารณาสภาพที่ของร่างกายที่เป็นธาตุสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาการร่างกพิจารณาร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาร่างกายข อ, าของคนอื่นก็เป็นกายนกรย่ อ, ายอกรอารงานการของคนอื่นแล้วกายของเราเพื่อจะได้เห็นว่ามันเหมือนกัน เพราะว่านอกจากกายในกายแล้วก็มีเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรในธรรมก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นโวหารของการพูดหรือเปล่าแต่ดูรายรายละเอียดท่างก็แสดงไว้ว่าท่านดูเวทนาก็ดูว่ามันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์แล้วก็มันมันก็เป็นอนิจจทุกขงังอนัตตาให้ดูอย่างนี้ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากสุขก็มาเป็นทุกข์ อยาทุกข์กมาเป็นไม่สุดไม่ทุกข์มันก็กลับไปกลับมามันเป็นในน้ำตาลก็คือว่าเราไปบังคับควบคุมมไม่ได้มันก็เป็นปลายดำเรื่องของมันนี่ก็คือการพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาเพื่อให้เห็นใจรักในเวทนานี้พิจารณากายก็เห็นใจรักษในในใ น, ในกายให้เห็นอรสุธาให้เห็นปฏิสุขในในกายเพื่อที่จะ เพื่อที่จะตรับความคิดที่จะคิดปรุงแต่งไปในทางสนิทไทยเท่านั้นเองคือความหมายของการที่เราจะเริยนสติและก็พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมากายในกายก็พิจารณาให้เห็นตายรักในกายเวทนาก็เห็นตายรักษในเวทนาจิตก็เห็นตายรักษในจิตธรรมก็เห็นว่าเป็นธรรมอะไรเป็นอริยาาสติ ก็มีอยู่ในจริงเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นหรือเปล่าทุกขณะเวลานี้อริยสัจสี่ท้ ง, งานอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันมันทุกข์หรืมันสุขหรใจเราถ้ามันไม่สุขถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทุกข์ก็แสดงว่ามันไม่มีสมุทยัยมันไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกถ้ามันมีความทุกข์ก็แสดงว่ามันมีสมุทัยมันมีความอยากที่นั่ง น, นี้เราอยากจะลุกไปจากที่อยนจะไปตอนนี้มันก็จะมีอาการกระสับกระสายกวนกระวา นี่ครก็อริยรสัจกำลังแสดงตัวให้เราเห็นแล้วแต่เราไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นเห็นว่าอยากจะลุกอย่างเดียวอยากจะลุกทําังไงถึงจะลุกไปได้อยากจะให้ให้พอนเรเ็วๆจะได้ไปก็ถึง <c oughs> แต่ไม่แต่ไม่เห็นอริยสัจที่กำลังแสดงอยู่ในใจของเรา <c oughs> ถ้าเราเห็นเราก็าจะระงรับดับสมุดไทยได้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหรือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เราไปบังคับไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยให้ถึงเวลาก่อนความนี้เราก็มาดับความความอยากของเราที่อยากจะลุกไปซะก่อนยังไม่ถึงเวลาไปมันก็ดับสมุทัยได้เนี่ยอริยาศาสตร์มันก็สแสดงอยู่ถ้าเรามีสติรู้อยู่ในอริยาศาสตร์นี้เราก็จะแล้วก็จะเราก็กําลังจเจริญปัญญากําลังเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันทันอยู่อันนี้แหละเป็นปัญญาที่แท้จริง ต้องเกิดขึ้นในสนามสอบเวลาจิตเกิดความว่าวุ่นขุนวัแล้วก็มองเลยถามว่าอ๋อใจขอลเรากำลัองอย่างก็ะไรอยู่ก็ลองคิดดูอยากไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมใจของเราถึงว่าวุ่นขุนวัวถ้าเราไม่อยากจะว่าวุ่นขุนวัวเราก็ตัดความอยากนั้นไปเพราะว่าตาัดความอยากนั้นไปความว่าวุ่นคุนวัวก็จะหายไปนี่ก็คือการมีสติในธรรมการเวทนาจิตธรรมก็เป็นอย่างนี้ จิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์บางบางเวลาจิตก็ผ่อนใจบางเวลาก็เศ้าสลดเงียบเงียบบางเวลาก็โลภบางเวลาก็เกลีก็ให้รู้ตามความจิงแล้วก็แล้วก็รู้ทันคือรู้รู้ถูกไหมครับวาให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่าของก็ไม่เที่ยงอารมณ์นี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้เช่นวันนี้เรารู้สึกหงุดหงิดเราไม่ต้องไปแก้ความหงุดหงิดด้วยการไปซื้อเล่ามาดื่มหรือไป หาอะไรมาฟังเรื่องหาอะไรมามาประทานเนี่ยเราไม่ีหน้าที่ทํางานของเราเราก็ทําไปอารมณ์มันซ่อมหม้อมันไม่สบายใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองแค่เราไม่ไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเราไปยุ่ ง, ง เ, รเราจะไปแก้ในทางที่ผิดเราจะไปแก้ในทางสมุไทยเช่นไปช้อปปิ้งสันหน่อยมันจะได้สบายใจมันก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาเพราะมันใช้เงินเดี๋ยวเงินไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนขึ้นหน่อยเดี๋ยวก็จะวุ่นวายใจขึ้นหน่อย ให้มีสติรู้ว่ามันเป็นายรักแล้วปล่อยวางมันวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่เด้นด้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนี้อารมณ์ดีก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องผ่านไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีมันก็จะกลับมาแทนที่ได้แต่ต่อไปถ้าเราปล่อยวางปล่อยวางแล้วอารมณ์หน่อมันก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากความอยากของเรานี่เองที่ปูุงแต่งขึ้นมา ให้เกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้วันไหนอยากอะไรแล้วไม่ได้ยังใจก็มันยังก็กำเนดอีกขึ้นมาแลต่ถ้าเราไม่ไม่ไปอยากแล้วต่อไปลองเฉยๆต่อไปอารมณ์ยางไมันก็จะไม่มีเราชอบไปปูแต่งเวลาอารมณ์ไม่ดีก็พยายามอยากให้มันหายไปมันก็ยิ่งสร้างอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามาซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบางวันมันอารมณ์มันเฉยๆมันไม่ได้ดีมันไม่ดียือไม่เสียก็ไม่พอใจอยากจะให้มันดี ก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมายั้งฝึกให้สักแต่ว่ารู้ไว้กับกับกับกับเรื่องทั้งสี่เรื่องนี้คือกายเวทนาจิตวัฏฐาให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางรู้ทันกายแล้วก็ปล่อยวางรู้ทันเวทนาแล้วก็ปล่อยวางรู้ทันจิตแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็รู้ทันว่ามีมีอยู่ในใจเราหรือเปล่า มีอะไรอยู่ในใจขณะนี้ทําอะไรกําลังแสดงตัวอยู่ในขณะนี้ทุกสมุทรไทยกําลังแสดงตัวเรือ่องวิโรธกับมร์แสดงตัวใครรู้อย่างนี้ถ้าถ้าสมุทรไทยแสดงตัวก็ต้องแตริญมร์ให้มากเอามร์เข้ามาดักเนี่ยมร์ ก, กับสมุทรไทยนี่จะเป็นคู่ต่อสู้กันส่วนใหญ่ของพวกเรานี่สมุทรไทยจะมีกํำลังมากกว่ามร์ พราะพวกเรามีมักน้อยพวกเราไม่ง่ายการไม่การไม่ใช่มักน้อยสังเกตเออมีกําลังทําน้อยเพราะเราสร้างธรรมมักขึ้นกว่าน้อยเราไม่เจริญมากกันมากเราไม่เจริญทางศีลธรรมนากันมากเราไม่เจริญ ม, กกน ม, ม, ญมันก็เลยมีกําลังน้อยที่จะไปก็เลยไม่สามารถที่จะไปต่อต้านกําลังของสมุทยัยได้ ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเร า, าะจะมีกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือการดูทำดูทำมาดูอย่างนี้ประจายไหมโอเคไม่ก่อนนะ